พระธรรมเทศนาแผ่นที่92าลำดับที่11โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านนาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่26มีนาคม2559มีชื่อเรื่องว่าอยู่ด้วยกันให้พึ่งพาอาศัยกัน วันนี้เป็นวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2559ถือว่าวัดถ้ำสพุงอำเภอนิคมคำส้อยจังหวัดมุกดาหารของเราวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งคณะสงฆ์ในท้องถิ่นแล้วก็ต่างถิน่นตลอดถึงพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นและต่างถิน่นได้มาร่วมกันเพื่อ จะปักปรงหลักปักเขตหลักระสูงขามสีมาในวันนี้ขณะนี้พวกเราได้ถวายพระทหารพระสงฆ์ก็ได้จัดพระทหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้เวลานานพอสมควรในการจัดอาหารเออก็รู้สึกว่าอาหารล้นหลามขอให้ดูดูแลกันนะพี่น้องลูกหลานทุกคนให้ทั่วถึงอาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญสัพเพสัตตาอาหารฤธิกา สัตว์ทั้งหลายสัพสัตว์ทั้งหลายอยู่ในโลกไม่ว่าสัตว์ประเภทไหนเป็นอยู่ด้วยอาหารมนุษย์ของเราก็เหมือนกันนะั่นะเป็นอยู่ด้วยอาหารเพราะนั้นให้ดูดูให้ดูให้ทั่วถึงดูแลให้ทั่วถึงแต่ทำไมบางครั้งสัตยาญาติโยมคงจะมองครูบาอาจารย์อาหารต่างล้นหลามก็จัดทั้งหมดแต่หลวงพ่อเคยไปกรุงเทพแล้วไปสถานที่หลายแห่ง เวลาท้าทายญาติโยมถวายอาหารมาอย่างนี้แหละอาหารมันล้นหลามพระก็ลำขาขในอาหารออบอกว่าเอออาหารเอามาพอประมาณนั่นแหละพอแล้วจํานวนนั้นเอาไปให้คณะท้าทาย ญ, ญาติโยมเอาไปกินซะเอาไปออกไปพอขนาดนี้พ อ, อ, อแต่คณะท้าทาย ญ, ญาติโยมเห็นอาหารตัวเองยังไม่ได้ผ่านครูบาอาจารย์ก็ไม่สบายใจ น, นั่งยิ้วขิวขมวด เออเราจะเข้าไปหยิบเอากลับคืนหรือเปล่าฮะเออก็อยังไงพอจากนั้นก็สรุปแล้วก็คือไม่สบายใจเพราะหะไรเพราะว่าการที่จะทำอาหารมาถวายครูบาอาจารย์พระสงฆ์เนี่ยพวกเราคิดกันทั้งวันทั้งคืนทั้งครอบทั้งครัวสามีภรรยาลูกหลานมาช่วยกันเพื่ออยากจะได้บุญในเมื่อเอามาถวายพระทหารพระสงฆ์แล้วพระสงฆ์ไม่ให้ความสาคัญพอมาแล้วก็อาหารมาหน่อยนึง ใครๆก็จะมาแจ้งเข้ามาเข้ามาก่อนจำนวนที่เหลือนี่ก็ อ, ออกไปก็ทำให้ผู้ที่คิดจะากจะทำบุญไม่สบายใจเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองมาคิดถึงจุดนี้คิดถึงน้ำใจของพี่น้องประชาชนเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้รับอาหารของพี่น้องประชาชนถ้าจะหว่านล้นหลามไหมหลวงพ่อก็รู้จักประมาณท้องตอนเองเหมือนกันน่ะฉันอาหารเพียงไม่มากนิดหน่อยก็พอแล้ว ยานเดียวเท่นั้นเรพอแล้วแต่ทำไมเอาไว้มาก เ, าเมื่อทานอาหารแล้วก็เออเอาอาหารไปจุดไหนที่ขาดเหลือขาดตกบกพร่องเอาไปช่วยช่วยดีดูนะเสริมนะ เ, เสริมบางคนก็บางกลุ่มก็ขี้อ้างไม่สามารถที่จะเข้าไปแย่งอาหารในที่ชุมชนได้เพราะนั้นอาหารที่ของเราเหลือเออเอาเอาไปให้ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ที่มีอาหารน้อยไปเสริมเสริมนะ น, นะหลวงพ่อเขาให้อาหารกับพี่น้องประชาชนอย่างนั้นแหละแต่หลวงพ่อเนี่ยเก็บประโยชน์เพื่อดูความขาดตกบกพร่ อ, องของพี่น้องประชาชนนี่แหละสรุปแล้วหลวงพ่อให้ความสําคัญเรื่องอาหารก็ว่าสัพเพสัตตาอาหารฤทธิกาสัพพสัต ท, ทั้งหลายเป็นอยู่ด้วยอาหารเพราะนั้นหลวงพ่อไปในสถานที่ใดไม่ได้พูดไม่ได้โอ้อวดไม่ได้คุย ไปสถานที่ใดโดยมากอาหารเนี่ล้นหลามนกพระนะสธา ญ, ญาตโยมลูกหลานหลวงพ่อจะมาคิดย้อนๆหลังเหมือนกันน ะ, ะสมัยเมื่อหลวงพ่อเขาไปอยู่กับองค์หลวงตาบ้านตาสมัยนั้นอาหารก็ไม่มากใช่ไหมคนมาจังหันก็ประมาณห้าคนสิบคนถ้าถึงยี่สิบคนไปลว่ามากแล้วแต่วันเสาร์วันพระวันอาทิตย์เพราะสมัยนั้นครูบาอาจารย์ ก็ยังพร้อมหน้าพร้อมตามีหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่เทศหลวงปู่เขาหลวงปู่ต่างๆอยู่ในเขตเมืองอุดรมีหลายวัดสดัตยาธิษฐาโยมเขาขกระจายไปไปทําบุญตามวัดต่างๆเพราะฉะนั้นอย่างวัดฝ่าวันตาดล่องตาก็มหาปัวก็ยังเป็นพระน้อยอยู่ในน้อยในหมู่ฝูงอะไงี้ยเถอะสมัยนั้นประมาณ60อายุ6กกว่าเองแต่หลวงพ่อเนี่ยขณะนี้ก็71แล้วนะคณะสัทยาธิษฐาโยมลูกหลาน แต่สมัยนะั้นหลวงตาอายุ60กว่าเพราะฉะนั้นอติเลกข ล, ล่าหรือว่าศรัทธาญาติโยมที่เขามาเกี่ยวข้องน้อยหลวงพ่อเข้าไปอยู่ใหม่ๆนะคนกรุงเทพเนะ่ยเข้าไปโดยมากจะไปหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟันมากกว่าเพราะหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟันท่านใจดีเข้าไปอ้าวไงศรัทธาญาติโยมมายังไงมาจากไหนอ้าวเอาเอาหรียญแจกก็มีเหรียญแจกนะหลวงปู่ฟันแจก หลวงปู่ขาวก็มีเลรียนแจกนะแต่หลวงตามหาบวชเข้ามาทำไมมาย่งทำไมมาเก้งๆกางๆพวกนี้มันต่างกันใช่ไหมละ่ะเออพวกนั้นก็สัตว์ท้ายญาติร่วมก็ทอยอะไรย่าโอ้โหหลวงตามหาบวชดุจริงๆไม่เคยพบเคยเจอเคยเห็นพระดุขนาดนี้นะเออเขามาปลกปรับมาขนาดอธิบดีอธิบดี กรมการศาสนาเขวัดใหญ่ที่สุดว่างา น, นเ่็เข้ามาพอเข้ามาเกืบกลับขึ้นมากัลูกน้องก็แตกแตกวงกันออสมัยกล้องถ่ายรูปมันก็หายากอีกต่างหากใช่ไหมพอที่บอดีมานั่งเขาก็จะถ่ายรูปต่อพระผู้ใหญ่ไปที่ไหนก็จะต้องถ่ายรูปใช่ไหม ป, ป, ปุบปับเขาก็ตั้งมุมตั้งมุมกล้อง ป, ป, ปุบปับบปับก็ถ่ายรูปหลวงตามาหาบวชมันถ่ายทําไมแต่บบรับอรุญาตอะไอย่าง ก่อนที่จะถ่ายรูปต้องได้ขอได้รับอนุญาตจากเจ้าของรูปสะก่อนจึงจึงถ่ายได้ท่านอภอธิบดีนสอนลูกน้องอย่างไงทําไมจึงให้ลูกน้องลุล่มลาบถึงขนาดนี้โอ้โหลุงตานี่ม่ไว้หน้าใครเลยเพราะะนั้นสมัยนั้นนะ่ะคนที่เข้าไปหาลวงตานี่มีน้อยมากแนละลูกหลานนะคณตธาญาติโยมนะแต่ลวงตาเนี่ดถู ดูอะไรดูมีเหตุผลนะแต่หลวงพ่อฟังดูแล้วท่านมีเหตุมีผลหลวงตาที่ท่านจะดูใครนะเพราะนั้นลูกศิษย์ลูกหาของท่านพอช่วงหลังหลังปลายมือเนี่ยไม่มีองค์ไหนที่จะมีลูกศิษย์ลูกหามากไปยิ่งไปกว่าองค์หลวงตาและธรรมเทศนาของหลวงตากหญยิ่งใหญ่มากที่สุดในบรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายเพราะท่านในเป็นมหาด้วยแล้วก็ท่านในปฏิบัติ ได้สําเร็จมรรคผลด้วยเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างท่านมารวมผนวกกันท่านจึงเป็นพระมหาเถรที่น่าเคารพกราบไหว้และก็ช่วยเหลือชุมชนสังคมอีกต่างหากเรว่าการที่จะขี้ตนีทีเหนียวหรือการเห็นแก่ตัวขององค์หลวงตาเนี่ยไม่มีนะเพราะฉนั้นหลวงพ่อเข้าไปอยู่กับองค์หลวงปู่หลวงตาของท่านนะอัติเลกาลาบของท่านก็มีน้อยอย่างที่ว่าเวลาตอนเช้าอย่างนี้แหะ เวลาได้อาหารมานี่ยอาหารอาหารไหนที่ท่านชอบฉันนะเอพอหลวงพ่อนี่ยจัดอาหารต่อหน้าท่านหลวงพ่อเ็าเก็บเก็บอาหารเอาไว้เอพอท่านเผลอปั๊บเราก็จิบปั๊บใส่บาตรเฮว่าไปไปเอาไปแจกหมูไปเพื่อนน้งมายุ่งทำไมเนาะแต่ลราก็ใส่ไปแล้วท่านก็เฉยล่ะนี่แหละหลวงพ่อว่าโอ้อันไอ้สงอาหารที่ถวายครูบาอาจารย์ ที่ถวายองค์หลวงตาที่เราได้ทำํำในข่าวนั้นทุกวันนี้อาหารของหลวงพ่อไปนสถานที่ใดนี่ไม่เชกคุยในคณะสถาญาติโยมโลูกหลานรู้สึกว่าอาหารล้นหลามเพราะเหตุไรเนี่ยเพราะหลวงพ่อนี่อยู่กับครูบาอาจารย์ก็นเน้นเรื่องอาหารอยู่กับคณะสถาญาติโยมก็เหมือนกัน อ, อไปยังไงมายังไงกินข้าวแล้วยังอิออ่มแล้วยังฮะนีออ่อันนี้นิสัยของหลวงพอ่อถึงจะเป็น พระป่าพระดงอยู่กับครูบาอาจารย์มาจากน้อยหนุ่มกเ็เถอะจะเป็นเดนของหลวงปูล่ลาหลวงปู่ล่าพ่อขึ้นมา้วนะกินข้าวหรือยังไปที่ไหนมาอยากใหพักที่ไหนดูนะท่านจะให้ความใส่ใจสนใจปฏิสันถานคารวะตาคำนี้แหละเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญแต่ทุกวันนี้รู้สึกว่าล่อยห่อไปเรื่อยหลวงพ่อก็เป็นห่วงเหมือนกันนะ เพราะนั้นหลวงพ่อจึงย้ำพระเนรของหลวงพ่อไว้อยู่เสมอปฏิสันฐานคารวะตาเคารพในปฏิสันฐานการต้อนรับเพราะพี่น้องศรัทธาญาติโยมก็มาเกี่ยวข้องก็คือญาติโกโหติกาเป็นญาติของเรานั่นแหละต่อไปภายภาคหน้าพวกเราจะเพิกพาอาศัยใครถ้าไม่มีไม่วางลากวางฐานวางทายญาติไว้ต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยนั่นแหละหลวงพ่อจึงให้ความสําคัญ ดูแลพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่ง เ, เข้ามาหลืออยู่ยังไงกินยังไงไปยังไงอาหารการบริโภคพอไหมลูกหลานคณะสัตยาญาติโยมเพราะฉะนั้นข อ, อฝากไว้กับคณะสัตยาญาติโยมผ้านเนรลูกหลานน้องนุง่นงทุกคนนะไปณสถานที่ใดต้องมีน้ําใจมีเมตตาต่อกันอย่างเมื่อวานหลวงพ่อมาไปชุมอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนุครินทจังหวัดขอนแก่น บ่ายประชุมทั้งตาบ่ายบ่ายสองโมงนะคณะสัายาติโยมลูกหลานนะจนถึงบ่าย5โมงเมื่อวานจังในมาที่นี่เพราะฉะนั้นหลายรถหลายอย่างหลายแนวหลวงพ่อเออหลวงพ่อนะ่ะอายุ71ดสิปีนะนะคณะสัายาติโยมคณะกรรมการมูลนิธิหลวงพ่อขอลาแล้วปีนี้มาเป็นได้8ปปีแล้วเป็น คือ4ปีหนึ่งสมัยหนึ่งสมัยหนึ่งสปีเหมือนกับผู้แทนรัชฎรลักษณะนั้นแหะครบดิว4ปีแล้วก็เลือกประธานใหม่เลือกแลเลือกคณะกรรมการใหม่แต่หลวงพ่อเป็นมาเออยังไงขอหลวงพ่อปีแรกเี่ยดิวใหม่เนี่ยกำลังตั้งไข่ขอให้หลวงพ่อเป็นรอบที่สองอีกเทินเออเอาเออพอเป็นมาเอาเป็นรอบที่สองพอแลยนะที่นี้นะจุกหลวงพ่อก็มากแล้วหลวงพ่อขอลามือละ มอบให้คณะกรรมการจะตั้งใครเป็นรรประธานต่อไปกรรมการคนไหนก็สุดแท้แต่พวกท่านทั้งหลายจะเลือกกันนะนะเพื่อความสะดวกสบายหลวงพ่อก็จะลาแล้วเมื่อวานนะี่แต่คณะกรรมการบอกว่าโอ้หลวงพ่อลาแล้วก็ยังไงยังไงอยู่คือยังไงก็ขอให้หลวงพ่ อ, อยู่ต่อไปอีกเถอะเออถึงยังไงก็ไม่ให้หนักหกหนักใจการงานทั้งหลายพวกผูผ้หวงงผู้ค่าทั้งหลายจะช่วยกันจัดทำ เพดูแลพระสงฆ์อาพาธหลวงพ่อเออเห็นแก่พระสงฆ์ครูบาอาจารย์เมื่อพระสงฆ์เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างน้อยก็เราก็ยังมีหูมีตาก็ยังมองมองอยู่ก็เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนหลวงพ่อเออเอาถ้า h กว่าพวกท่านทั้งหลายคณะกรรมการทั้ง15ท่านนี่นะตั้งอกตั้งใจทำงานไม่ให้หลวงพ่อหนักใจไม่สร้างปัญหา ไม่ให้หลวงพ่อหนักใจหลวงพ่อกปจะอยู่แต่ถ้าว่าต่อไปภายภาคหน้านะเนี่ยอต่อไปแล้วเหมือนกับท่านสมเด็จองค์เดียวนี่เลยมีอะไรเนดะ้อพวกลูกน้องไปทําอะไรขึ้นมาเลยสื่อถึกสอบหน้าสอบหลังเนะี่ยไม่ได้นะสอบอายุเมื่อหลวงพ่ออายุยังแก่อายุแก่ไปแล้วนะเพราะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนทักทั้งสิบห้าท่านนะตั้งอกตั้งใจทํางาน เพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อก็จะเป็นหลักให้แต่ถ้าว่ามีปัญหานะหลวงพ่อจะไม่สบายใจเมื่ออายุแก่ขึ้นมาแล้วมาถูกสอบเรืเ่องเงินเรื่องทองบ้างพ่อหลวงพ่อไม่ได้มุ่งหวังเงินทองเงินคำทรัพย์สมบัติบวชมาในชาตินี้บวชมาเพื่อหวังมักหวังมักหวังผลหวังพระนิพพานให้ถึงพระนิพพานโดยด่วนเท่านั้นเพราะนั้น สิ่งภายนอกเหล่านี้เราก็ทําไปเพื่อสุมชนเพื่อสังคมประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอย่างที่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้บอกได้กล่าวเอาไว้แต่นั้นหลวงพ่อคือเอาถ้าเป็นอย่างงั้นหลวงพ่อก็รับนะเพราะว่ามีประโยชน์ส่วนหนึ่งหลวงพ่อก็เคยมาหลายหลายครั้งแต่เมื่อใหม่ๆใหี่ก็มีพระครูบาอาจารย์ท่านวดมาทั้ง 42. พรรษา ถ้ามาพ่วยเขาเนี่ยนะเป็นเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอหัวใจขาดเลือดจะต้องใส่บอลลูนทีนี้เข้ามาท้าก็ไม่มีศรัทธาญาติโยมรู้จักเ้าก็โทรไปหาหลวงพ่อเอาท่านประธานมูลนิธิหอพิบาลสงหลวงปู่มั่นท่านว่าอ ย, ยังไงหลวงพ่อเออเอาเอาเลยรักษาถ้าครูบาอาจารย์พระเนนตายหมดแล้วมูลนิธิจะเก็บไว้ทําไมเอาเอ า, เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ หลวงพ่อกบอกมาแต่พอทำเสร็จแล้วโอ้ไม่ใช่น้อยนะคณะนะัตถายาดโยมลูกหลานบ่ทำบลุนบลรุนสเส้นจู่ที่หัวใจหมดไป2องแสนสอนะออไม่ใช่น้อยเหมือนกันออแต่ข่าวก่อนก็มะเร็งอีกเหมือนกันแต่เมื่อวานก็มีการเสนอขึ้นมาอีกเหมือนกันจะใช้เงินหนึ่งล้านเพื่อรักษามะเร็งคุบาอาจารย์หนึ 1, 000, ่งล้านพอกว่าท่านอาจารย์จะอนุมัติไหม หลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อไม่เสียดายเงินแต่ให้คณะแพทย์ทั้งหลายช่วยกันคิดถ้าจะรักษาแล้วหายแล้วดีขึ้นพยุงไปได้หลวงพ่อก็ไม่ว่าแต่ถ้าหว่ารักษาแบบหลับหูหลับตาไม่คิดโยนเงินทิ้งเงินมันก็หายากนะพราะพระเนรในอีสานของเราต่างหลายเพลาะร้อยหลายพันหลายหมื่นองค์ถ้าว่าเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วจะเอาเงินที่ไหน มาใช้เพราะนั้นขอให้ครูบาอาจารย์คณะกรรมการทั้งหลายช่วยกันคิดสำหรับหลวงพ่อเองคำว่าห่วงห่วงไม่มีมีแต่ให้เกิดประโยชน์ต่อพระสงฆ์เท่านั้นละ่ะที่มาทำงานในจุดนี้นี่แหละพี่น้องประชาชนสัทธาญาติโยมลูกหลานถ้าว่าหลวงพ่อไม่พูดไม่กล่าวไม่เล่าให้แนวผลการงานของหลวงพ่อให้คณนะจัดธาญาติโยมลูกหลานได้ฟังนะลูกหลานก็คงจะโอ้หลวงพ่อของเราเนี่ย ศรัทธาญาติโยมรู้จักมากคุณคงจะมีจตุปัจจัยมากและจะเก็บไว้ที่ไหนฮะหลวงพ่อเนี่ยจ่ายนะลูกหลานลูกห ล, กลานนะคณะศรัทธาญาติโยมนะถวายไปเรื่อยพอที่จะถวายสงเคราะห์ที่ไหนไหนได้ก็ช่วยสงเคราะห์ไปเมื่อเราอยู่ได้พุทธศาสนาอยู่ได้พี่น้องประชาชนอยู่ได้ประเทศชาติบ้านเมืองก็ต้องอยู่ได้นะมันต้องพึ่งพาอาศัยกันแต่เราจะไปรวยคนเดียว เอารัดเอาเปียบพี่น้องประชาชนศรัทธา ญ, ญาติโยมก็ไม่น่าจะถูกนะเราเป็นผู้ยากจนเกาะกินพี่น้องประชาชนศรัทธา ญ, ญาติโยมไม่มีการสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ไม่ไม่ไม่มีการเหลียวแลซึ่งกันและกันก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นการอยู่ด้วยกันต้องพึ่งพาอาศัยกันนออพี่ได้สองน้องได้หนึ่งประเทศชาติบ้านเมืองจึงจะอยู่เย็นเป็นสุขร่มเย็นเป็นสุขไปได้ ถึงเราอยากจะกพูดขนาดน้นี้กระทาถ้าพูดไปแล้วมันกระทบกระเทือนก็ไม่น่าจะพูดนะถึงอยากจะกระทําขนาดนั้นก็ตามถ้าทําไปแล้วทําให้เดือดร้อนวุ่นวายในชุมชนสังคมเราก็ไม่น่าจะทําอีกเหมือนกันการคิดสิ่งไหนก็ตามถ้าคิดถูกถ้าคิดถูกถ้าคิดเป็นศีลเป็นธรรม เ, เราก็ควรจะคิดถ้าคิดออกไปแล้วทําให้คนอื่นเดือดร้อนการกระทําคนให้คนอื่นเดือดร้อน การพูดออกไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนเราก็ไม่ควรจะทำควรจะสํมรวมระหว่างกายวาจาใจของพวกเรา ท, ท, ทุกท่านนะสรุปแล้วก็คือให้คิดดีทำดีพูดดีถ้าพวกเราคิดดีทำดีพูดดีแล้วมีแต่ความผาสุขการอยู่ด้วยกันมากน้อยท้หลายหลายองค์ก่อนอด้วยด้วยความร่มเย็นเป็นสุขถ้าพวกเราคิดดีทำดีพูดดีแต่พวกเราให้สารวจดูว่ารู้ไหมดี ถ้าพวกเราสำรวจตรวจตาดูว่าดีเออดีอดีนั่นคืออะไรถ้าพวกเราวารู้วดดีนั่นแหละปฏิบัติตนให้เป็นคนดีคิดดีทำดีแต่ว่าดีกับชั่วก็ยังไม่รู้แล้วก็ไม่รู้จะพูดกันยังไงล่ะท่าอดีหรือชั่วก็ยังไม่รู้แยกไม่ออกยนะแสดงว่ามันโง่ามากนะถ้าพวกเราถ้าอยู่ด้วยกันแบบโง่ๆแล้วมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายนะคะนะักแตทา ย, ยาตโยมลูกหลานผ้าเนนลูกหลานน้องนุง่นงทั้งหลายนะ อาตอนนี้ไปรับพรเถอเน